กับพวกเรานะเหมือนกับที่เคยทำตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อขงเขียนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าสุกโตนะคนก่อตั้งคือหลวงพ่อบุญธรรมนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดหนองแก่เนี่ยตรงอาเภอแก้งคร้อแต่ว่าหลวงพ่อมเขียนมาเป็นผู้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 เพราะว่าสมัยน0 4 0ปีที่แล้วก็มีการบุกรุกแผ้วถางมีการลักลอบตัดไม้แล้วก็มีภยัยคุกคามอย่างอื่นเช่นไฟนะหลวงพ่อท่านก็ช่วยหรว่าเป็นหัวเรื่องหัวแรงเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ป่าพื้นนี้เอาไว้นะ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 วัดภูเขาทองเนี่ก็เป็นวัดบ้านนะหลวงพ่อท่านไปดูแลนะที่จริงท่านขึ้นมาที่นี่ก็เพื่อจะจ ะ, จะมาอยู่วัดป่าสุกโตนั่นแหละตั้งแต่ปี19แต่ตอนหลังโยมที่ทามาไฟนิมนต์ให้ท่านไปช่วยนะเป็นเจ้าว่าทีนันตั้งแต่ปี 20-21 เนี่ย ท่านก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณ4ีหปีจึงค่อยกลับมาที่นี่ปี2อาช่วงที่อาจมารู้จักหลวงพ่อขงเขียนก็ท่านเป็นเจ้า ว, วาดและภูเขาทองแล้วก็มีงานหนึ่งที่ท่านเอาใจใส่มากนะนอกจากสอนชาวบ้าน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 หรือว่าถ้าเป็นเขตที่มีทิพนนะกว้างขวางก็เรียกเป็นเขตสีแดงอันนั้นอันตรายนะแต่ว่าเขตสีชมพูก็คือเป็นที่ที่เขาออกมาปฏิบัติการนะแต่ว่ายังอยู่ในความควบคุมของเจ้านาทีรัฐศูนย์แง เ, เนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจากพระ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 คุณวันนีเนี่ยซึ่งมาที่นี่ด้วยเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยตอนนั้นเนี่ยเรียนจบไปหลายปีแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ยังระแวงว่า เ, เราเป็นนักศึกษาหรือเปล่านะแล้วคำว่านักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยมันก็คือซ้ายคือพวกนิยมคอมมิวนิสต์นั้นก็จะทำการตรวจสอบจดจ้องเรา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 พอสมัยก่อนเนี่ยข้าวบนหลังเขามันแพงมากเพราะตอนนั้นยังไม่มีมถนนนะจากแก่งครอขึ้นมาบนหลังเขาเนี่ยนึกผ่านนะมันไม่มีถนนเลยจากแก่งครอมันมีถนนจากแก่งครอแต่มันมาหยุดแค่ตีนเขาแล้วที่เหลือต้องปีนเนานะเพราะนั้นข้าวมันจะราคาแพงมากชาว บ, บ้านที่อยากจนก็ต้องซื้อด้วยราคาที่แพงแล้วก็เกิด ปัญหาหนี้สินตามมาท่านก็เลยหลังจากที่ศูนย์เด็กของท่านเนี่ยเริ่มจะไปได้ดีนะมีคนสนับสนุนท่านก็เลยอยากจะทําสหากรณ์ข้าวก็เลยมาช่วยท่านทํำผราป่าข้าวอาทีตแรกคิดว่าจะมาสนับสนุนงานศูนย์เด็กของท่านเพว่าตอนนั้นเนี่ยนัตมาทําอ็นอแล้วก็งานที่ทําอันหนึ่งก็คืองาน ช่วยเหลือเด็กขาดอาหารพวกเราจนนึกไม่ถึงนะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่าน้ำเนี่ยเด็กขาดอาหารจนตายเนี่ยมีเป็นแสนนะมีเป็นแสนแล้วก็ที่ทุพพลภาพหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยมีเป็นล้านเดี๋ยวนี้ภาพนี้มันก็เลือนหายไปแล้วนะการที่ได้ขึ้นมา เพื่อช่วยงานหลวงพ่อเนี่ยนะมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะทำให้ได้รู้จักท่านแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทาบาท่านเป็นพระกรรมฐานนะสามปีต่อมาพอคิดจะบวชนะก็มีคนมีเพื่อนม า, มาแนะนำว่าบวชกับท่านดีกว่านะเพราะว่าท่านเป็นพระกรรมฐานเขาบวชมาแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์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 ตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยตะกอนมันเป็นพุทธเกษตรนะก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่หลวงพ่อจัดเอาไว้สำหรับการทำสวนเรียกว่าสวนผลไม้แล้วก็เพื่อส่งเสริมเกษตรผสมผสานท่านอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกการปลูกมันหรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมันมีแต่ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าต้นทุนก็มาก แต่รายได้ก็น้อยราคาก็ไม่แน่นอนสู้ปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตัวเองดีกว่าเหลือค่อยขายนะท่านก็เลยทำเป็นแบบอย่างนะปลูกพวกไม้ผลเช่นลิ้นจี่ลำไยแล้วก็มือพืชมีพื้นที่ส่วนสำหรับให้ชาว บ, บ้านมาทำมาปลูกผักนะ ชักชวนชาวบ้านมาปลูกผักนะจะได้พึ่งตัวเองไม่ต้องไปซื้ออะไรทุกอย่างจากชาวจากตลาดนะสมัยก่อนเนี่ยนะพลิกก็ต้องไปซื้อเอานะอยากจะทำส้มตมทุกอย่างก็ซื้อหมดแม้กระทั่งมะละกอที่จริงไม่ใช่สมัยก่อนเท่านั้นนะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นท่านก็อยากชาวบ้านเนี่ยรู้จักพึ่งตัวเองแม้เงินจะน้อย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 ก็ไปนะี่ดูทุกครั้งแต่ว่าท่านก็อยากจะมาปักหลักที่นี่นะ mm. เพื่อที่จะได้ให้เป็นที่นะสำหรับอสอนกรรมฐานที่แรกก็ท่านก็คงอยากจะสอนชาวบ้านนะนะเพราะเหตว่าชาวบ้านนี่ไม่ค่อยมีโอกาสเป็นคนในเมืองอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่ า, าส่วนใหญ่เนะี่ยคนในเมืองจะหา่างเหินพระแต่ว่า พอมีวัดสนามในมีวัดโม่เนี่ยมันก็เป็นที่ที่คนเนี่ยมันจะได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็นึกว่าเนี่ยอยากจะให้คนในชนบทนะพวกผ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยสมัยหนะ้าที่นี่เป็นอย่างไรจริงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะบ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่ให้ทา น, นารักษาศีลแต่ว่าทำกรรมาฐานด้วยท่านก็เลยพยายามกลับมาหรือว่าเรียกว่าปักหลักที่นี่ แล้วก็ตอนหลังน ะ, อะไอ้ที่ที่มันไกลนะไกลผู้คนไกลเมืองนะมันก็กลายเป็นที่ที่คนในเมืองจำนวนมากนะจะเรียกว่าทั่วประเทศก็ได้นะได้หันมาใช้เป็นที่ภาวนาอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความตั้งใจแรกๆของท่านนะท่านนึกถึงชาวบ้านมากกว่า นะถ้าอย่างเช่นชาวบ้านได้มีโอกาสปฏิบัติทำนะเหมือนคนในเมืองบ้างเหมือนกับที่ท่านเห็นที่วัดสนามในวัดโมกนะหรือว่าวัดป่าพุทธยานนะซึ่งเป็นจุดตั้งต้นแรกๆนะของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจะเรียกว่าชีิตท่านเปลี่ยนพระกรรมฐานก็ว่าได้นะก่อนที่จะมาบวชพระเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยคือเมื่อปี 1.0 เนี่ยคือ50ปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นหมอธรรมนะเป็นหมอธรรมนะหน้าที่ของหมอธรรมเนคือขับไล่ผีนะจับผีนะหรือว่าปัดปัดังควานนะปอยนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเวทมนต์คาถาและที่ท่านเป็นหมอลำหรือหมอธรรมหรือว่า ถ้าผู้ปราชาชาวบ้าน ง, ง, ง่ายๆคือหมอไล่ผีเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านมีความความรังเกียผีมากเพราะว่าทำให้ลูกพีลงกนอ ง, องท่านตายนะชาวบ้านสมัยนั้นก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะผีทําหมอจะขับไล่อย่างไงก็ไล่ไม่สำเร็จนะจนเด็กตายเนี่ยท่านก็เลยแค้นก็เลยเป็นหมอทำด้วเองเลยนะทำหน้าที่หน้าที่นึงคือไล่ผี แต่ว่าก็ามีใจโน้มเอียงไปในทางธรรมะเหมือนกันเพราะเคยบวชเ น, นเพรพอได้ข่าวว่าหลวงพ่อเทียนมีภาพรูปนึงชื่อหลวงพ่อเทีย น, นยสอนภาวนาที่น่าสนใจนอยู่ที่จังหวัดเลยท่านก็เลยอยากจะไปเรียนรู้ตอนที่ไปเรียนเนี่ยท่านก็อึดอัดนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยนอกจากจะ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 แม้ว่าใหม่ๆเนี่ยสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยขุกคลักมากหลายคนเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าปฏิบัติทรมันยากเนี่ยนะเพราอุปสรรคเยอะเนี่ยให้รู้ว่าหลวงพ่อเขียนท่านเจรหนักกว่าพวกเราแต่ท่านก็ไม่สู้ไม่ถอยเพราะท่านเป็นคนเรียกว่าไม่ยอมแพ้ไข่มีความเพียรมากนะก็ทำให้ท่านได้เห็นอ น, นิสง์ของการาเจริญสตินะจกนกระทั่งตัดสินใจบวชนะ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 50าสกรัมเนี่ยท่านจะเกี่ยวให้ได้ร้อยนะท่าบอกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่ได้มีธรรมะไม่มีกรรมฐานนะคงตายไปแล้วเพราะไอความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยนะพอได้ธรรมะนี่ช่วท่านเปลี่ย น, นยจิตใจท่านก็เปลี่ยนแล้วก็มาสอนทำไหมกับพวกเราเอาพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ได้มีโอกาสฟังทำอย่างท่านเนี่ย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 ก็จะพยายามไปกดข่มพยายามไปผลักใสนะซึ่งก็กลายเป็นว่าหลุดเข้าไปเป็นนะเห็นความโกรธอยากจะผลักความโกรธอยากจะข่มความโกรธปุ๊บเดี๋ยวกลายเป็นผู้โกรธไปซ ะ, ะนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนคือว่าให้เห็นเฉยเฉยนะให้เห็นถ้าใครเนี่ยแยกแยะได้ว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันยังไงมันจะช่วยได้เยอะเลย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 ไม่ได้คิดว่ามันเป็นโทษพอมาปฏิบัติก็รู้วมมันไม่ดีพอรู้วมไม่ดีนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะกดข่มมันอย่างเดียวนะแต่ท่านสอนว่าให้เห็นเฉยๆนะความเครียดมีก็เห็นมันเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรกับมันนะอีกคำหนึ่งที่ความหมายใกล้เคียงก็คือรู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆนะซึ่งหลวงพ่อเทียนนี่ท่านก็เอามาย้านะ ว่าเป็นหลักการปฏิบัติของท่านซึ่งมีประโยชน์มากนะถ้าเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยนะให้อารมณ์ใดก็ตามเนี่ยมันก็เล่นงานเราได้ยากนะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้นะหรือวางใจไม่เป็นจะเข้าไปกดข่มก็ดีหรือว่าเผลอเข้าไปฟุ้งตามมันก็ดีเนี่ยก็เสร็จมัน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 มันมีความรู้มันมีอะไรต่างๆผุดขึ้นมามากมายซึ่งคนเนี่ยถ้าไม่มีสติพอนะก็จะไปคิดว่าเนี่ยตัวเองรู้แล้วตัดสิรู้แล้วนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นจะเรียกว่ า, าความหลงอย่างหนึ่งก็ได้มันเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นกับดักของนักปฏิบัตินะที่จัดเจนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่า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 ในทุกมีความไม่ทุกนะในโกรธมีความไม่โกรธหรือบางทีท่านก็พูดว่าเปลี่ยนความทุกให้เป็นความไม่ทุกเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธอันนี้มันมีไวยะว่าความทุกก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องผักไสนะไม่ต้องมีสิไม่ใช่สิ่งที่ต้องผักไสเราเพียงแค่เปลี่ยนมันเฉยๆนะเปลี่ยนความทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธ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 ประตูนะไปสู่นิโรธได้นะอริยสัจข้อแรกเนี่ยมันเป็นประตูมันเป็นช่องทางไปสู่อริยสัจข้อที่สองและข้อที่สามนะเจอทุกเนี่ยถ้าเราพิจารณานะแทนที่จะผลักใส่หรือหันหลังให้มันเนี่ยมันจะเห็นสมุดไทยและถ้าเเห็นสมุดไทยคือเห็นทุกแล้วเนี่ยนะให้การที่จะนำไปสู่ความ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 หรือว่ามันจะเปิดให้เราไปสู่อิสระก็ได้ไอ้คำตอบหรือคาเฉลยเนี่ยมาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความโกรธความหลงนะถ้าเราเห็นมันดูมันเป็นเนี่ยเราก็จะเห็นกุญแจนะสู่ความไม่ทุกข์สู่ความไม่โกรธสู่ความไม่หลงได้นะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปกําจัดมันผักสายมันทันหลังให้มันนะก็ ให้รู้จักเห็นรู้จักมองรู้จักพิจารณานะหรือที่ท่านใช้คำว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงเนะี่ยอันนี้มันเป็นหลักการปฏิบัติที่มีประโยชน์มากนะซึ่งมันจะนําไปสู่ภาวะที่หลวงพ่อเขีนใช้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งต้องอธิบายมากนะใครที่สนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากวันนี้เป็นวันนะ คายวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยนะสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตยอยู่ก็ท่านก็ไม่ให้จัดกิจกรรมอะไรมากมายนะแม้กระทั่งท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราก็ควรจ ะ, ะทำตามสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยคือว่าไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ต้องเป็นในเรื่องตัวบุคคลนะแต่ว่าสิทิยานุสิตเนี่ยก็อยากจะให้วันนี้มันมีความหมายนะเป็นการสืบทอดเจตนารมของท่านนะ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 หลวงพ่อเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับภูหลงมากในระยะท้ายของชีวิตท่านเพราะว่าสุกโตท่านรักษาไว้ได้ท่านก็อยากจะให้ภูหลงเนี่ยมาเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์สองพรรษาสุดท้ายท่านก็ไปจําอยู่ที่ภูหลงแต่ว่าท่านก็ชร า, ามากแล้วนะก็เลยทําอะไรไม่ได้มากไม่มากมืนกับที่สุกโตแต่เราก็สืบทอดเจตนาลงของท่านคือรักษาป่าที่นั่นเอาไว้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 2ีสิบสงิงหาเน้นเรื่องธรรมชาตินะสิงหามาในเรื่องธรรมะเรื่องกรรมฐานนะซึ่งก็เป็นอีก อ, อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญมากแล้วเราก็จะปฏิบัติทำมันข้ามคืนเลยนะเราจะทำให้ความหลงดับไปนะวันมรณภาพของท่านเนี่ยนะเราจะทามาช่วยกันทำให้ความหลงเนี่ยมันดับไปนะไม่ใช่ความหลงของใครความหลงในใจเรา สิบสสิงหาเนี่ยเรามีกิจกรรมตอนเช้าหรือกลางวันนะส่วน23สิบามิงหาเนี่ยนะเรามาทำกิจกรรมกลางคืนกันนะตั้งแต่22สิงหาเนี่ยปฏิบัติข้ามคืนจนกระทั่งไปถึงท ร, รวัดเช้า23สิบสามสิงหาซึ่งเป็นวันมรณภาพของท่าน2องอย่างที่สาคัญทั้งคู่นะนะปลูกธรรมะนะกับปลูกธรรมชาติ นะนะปลูกป่าให้งอกงามแล้วก็ดับความหลงให้ไปให้หมดไปจากใจนะวันเกิดเรามีกิจกรรมกลางวันนะวันมรณภาพาเรามีกิจกรรมกลางคืนนะทั้งหมดนี้ก็ก็เพื่อเราลึกถึงท่านเป็นอนุสณ์ให้กับท่านแล้วก็เพื่อความเจริญงอกงามนะของเราให้สมกับว่าเราเป็นอาศิษย์ของหลวงพ่อ อาชานี่ก็เพียเท่านี้นะเอากราบพระ